สองอติตะวานอนุโลมบุคคลจากขุนตรีมูลกนัยสองอนุโลมปุจฉั่าจากขุนสีของบุคคลใดเคยเกิดโสตินรีของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิสัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉัโ่โสตินรีของบุคคลใดเคยเกิดจากขุนสี่ของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิสัชนาใช่ อนุโลมปุตชาจากขุนสีของบุคคลใดเคยเกิดคาณินรียของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจาชนาใช่ปฏิโลมปุตชาคาณินทรีย์ของบุคคลใดเคยเกิดจากขุนสีของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจาชนาใช่อนุโลมปุตชาจากขุนสีของบุคคลใดเคยเกิดอิถธินรีของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจาชนาใช่ ปฏิโรมปุตชากิตินตีของบุคคลใดเคยเกิดจากขุนตีของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุตชาจากขุนตีของบุคคลใดเคยเกิดปุริสถินตีของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุตชากปุริสถินตีของบุคคลใดเคยเกิด จากขุนตีของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะใช่อนุโลมปุจฉาจากขุนตีของบุคคลใดเคยเกิดชีวิตินตีของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะใช่ปฏิโลมปุษษจฉาชีวิตินตีของบุคคลใดเคยเกิดจากขุนตีของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะใช่อนุโลมปุจฉา จากขุนสีของบุคคลใดเคยเกิดโสมนัสติตสีของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิรมปุชฌาโสมนัสติตรีคนบุคคลใดเคยเกิดจากขุนสีของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่อนุโลมปุจฉาจากขุนตรีองบุคคลใดเคยเกิดอุเปกินสีของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ ปฏิโรมปุชชาอุเปกินสีของบุคคลใดเคยเกิดจากขุนตีของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุชชาจากขุนตีของบุคคลใดเคยเกิดสัตทินตีและปัญญรีและมนินตีของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุชชา มนินทีเขาบุคคลใดเคยเกิดจากขุนตีเขาบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมพิจัชนาใช่จากขุนทริยมุลกไนจบคานินทริยมุลกไนัย241อนุโลมปุชชาคานินสีลอิถธินสีลปริศินสีลชีวิตินสีลโสมนัสินสีละุเปกินสีลสัจทินสีลปัญญินสี ของบุคคลใดเคยเกิดมนิีตีของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโรมปุชามนิีตีของบุคคลใดเคยเกิดปัญตีของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่การอินตริยะมูลกายนายจบอนุโลมโอกาสจากุนทริยมูลกายนาย242บ อนุลมปุชชาจากขุนศีในภูมิใดเคยเกิดโสตินรีในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุชชาโสตินรีในภูมิใดเคยเกิดจากขุนศีในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่อนุโลมปุชชาจากขุนศีในภูมิใดเคยเกิดคานินทรียในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนา ในรูปาวจรภูมิในภูมินั้นจากขุนสีเคยเกิดแต่คาณินทรีย์ไม่เคยเกิดในกามาวจรภูมิในภูมินั้นจากขุนสีเคยเกิดและคาณินทรียก็เคยเกิดปฏิรมปุชชาคาณินทรียในภูมิใดเคยเกิดจากขุนสีในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมพิจัชนาใช่อนุลมปุชชาจากขุนสีในภูมิใดเคยเกิด อิทินสีละปุริสินสีในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมพิจัชนาในรูปาวจรภูมิในภูมินั้นจากขุนสีเคยเกิดแต่ปุริสินสีไม่เคยเกิดในกามาวจรภูมิในภูมินั้นจากขุนสีเคยเกิดและปุริสินสีก็เคยเกิดปฏิรมปุชชาปุริสินสีในภูมิใดเคยเกิดจากขุนสีในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมพิจัดชนาใช่ อนุโลมปุชฌาจะขุนสีในภูมิใดเคยเกิดชีวิตินทรีย์ในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุชฌาชีวิตินทรียีในภูมิใดเคยเกิดจะขุนสีในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาในอสัญญาสัตตภูมิและอรูปภูมิในภูมินั้นชีวิตินทรีย์เคยเกิดแต่จะขุนสีไม่เคยเกิดในปัญจโวการภูมิ ในภูมินั้นชีวิตินรียเคยเกิดและจกักขุนสีก็เคยเกิดอนุโลมปุจฉาจักขุนสีในภูมิใดเคยเกิดโส Ver มานสินรีในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมพิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาโสมานสินรีในภูมิใดเคยเกิดจักขุนสีในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมพิจนะัดชนาะใช่อนุโลมปุจฉาจักขุนสีในภูมิใดเคยเกิด อุเปกินสีในภูมิน <Yes. S 2> ั้นก <Got S 3> ็เคยเกิดใช่ไหมพิจัดชนาใช่ปฏิโรมปุตชาอุเปกินสีในภูมิใดเคยเกิดจากขุนสีในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมพิจัดชนาในรูปประภูมิในภูมินั้นอุเปกขินสีเคยเกิดแต่จากขุนสีไม่เคยเกิดในปัญจโวการภูมิในภูมินั้นอุเปกขินสีเคยเกิดและจากขุนสีก็เคยเกิด อนุโลมปุจฉาจะขุนศีในภูมิใดเคยเกิดจะทินรีละปัญญินรีละในมณีศีในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโรมปุจฉามณีศีในภูมิใดเคยเกิดจกขุนศีในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมพิจัดชนาในอรูปภูมิในภูมินั้นมณีศีเคยเกิดแต่จกขุนศีไม่เคยเกิด ในปัญจโวการภูมิในภูมินัน้นมนิณีสีเคยเกิดและจกักขุนสีก็เคยเกิดจกักขุนธริยะมูลกายนิจบคานินธรียมูลกานายัยสองร้อมอนุลมุชฌาคานินทรียในภูมิใดเคยเกิดอิตินทรียและปุริสินรียในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมปิฏัชนาใช่ปฏิโลมปุชฌา ปุริสินทรีย์ในภูมิใดเคยเกิดขานินทรียในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจารณาใช่อนุโลมปุจฉาขานินทรียในภูมิใดเคยเกิดชีวิตินทรียในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาชีวิตินตีย์ในภูมิใดเคยเกิดขานินทรียในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาในรูปปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิ ในภูมินั้นจีวิตินทรียีเคยเกิดแต่คาณินทรียีไม่เคยเกิดในกามาวจรภูมิในภูมินั้นจีวิตินทรีย์เคยเกิดและคาณินทรียีก็เคยเกิดอนุโลมปุชชาคานินทรีย์ในภูมิใดเคยเกิดโสมนัตสินทรีย์ในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัตชนาใช่ปฏิโลมปุชชาโสมณัตสินทรีย์ในภูมิใดเคยเกิด คาณินรียในภูมินั <with evening>. ้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาในรูปปาวจรภูมิในภูมินั้นโสมนัสตินทรีย์เคยเกิดแต่คาณินทรีย์ไม่เคยเกิดในการมาวจรภูมิในภูมินั้นโสมนัสตินทรีย์เคยเกิดและคาณินทรียก็เคยเกิดอนุโลมปุจฉาคาณินทรียในภูมิใดเคยเกิดอุเปกขินรียในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ ปฏิรมปุจฉาอุเปกขินสีในภูมิใดเคยเกิดคาณินทรียในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมพิจัดชนาในรูปปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิในภูมินั้นอุเปกขินสีเคยเกิดแต่คาณินทรียไม่เคยเกิดในกามาวจรภูมิในภูมินั้นอุเปกขินสีเคยเกิดและคาณินทรียก็เคยเกิดอนุโลมปุจฉาคาณินทรีย์ในภูมิใดเคยเกิด สัตทินรียในภูม <history>. ิน <ziemlich heavy> ั <annoying> ้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิรมปุจฉาสัตทินรียในภูมิใดเคยเกิดคานินทรียในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาในรูปปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิในภูมินั้นสัตทินรียเคยเกิดแต่คาณินทรียไม่เคยเกิดในกามาวจรภูมิในภูมินั้นสัตทินรียเคยเกิดและคาณินทรียก็เคยเกิด อนุโลมปุจช el right? ้าคานินรีในภูมิใดเคยเกิดปัญญินรีและมณินรีในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโมปุจช้ามณินรีในภูมิใดเคยเกิดคานินรีในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิในภูมินั้นมณินรีเคยเกิดแต่คานินตีไม่เคยเกิด ในการมาปรจอภูมิในภูมินั้นมนินตีเคยเกิดและคาณินตียก็เคยเกิดคาณินตริีมูลกายนิจบอิถินตรียมูลกานิจสอยสี่อนุโลมปุจฉาอิถินรี์ในภูมิใดเคยเกิดปุริทินรีในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมพิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉา ปุริสินสีในภูมิใดเคยเกิดอิตินสีในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ละอิตินตรียะมูลกนัยจบปุริสินตรียะมูลกนัย245อนุโลมปุชชาปุริสินสีในภูมิใดเคยเกิดชีวิตินสีในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุชชา ชีวิถินรีย์ในภูมิใดเคยเกิดปุริถินสียในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมพิจัชนาะในรูปปาปจรภูมิและอรูปปาปจรภูมิในภูมินั้นชีวิถินรียเคยเกิดแต่ปุริถินสียไม่เคยเกิดในกามาวจรภูมิในภูมินั้นจีวิถินทรียเคยเกิดและปุริถินรียก็เคยเกิดอนุโลมปุชชา บุริสินสีในภูมิใดเคยเกิดโสมนัสินสีในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมพิจัตชนาใช่ปฏิโดมปุชชาโสมณตสินสีในภูม <My> <killing> ิใดเคยเกิด <meets> บ <Gil we ESE> ุริส <tu le> ินสีในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัตชนาในรูปาวจรภูมิในภูมินั้นโสมนัสินสีเคยเกิดแต่บุริสินสีไม่เคยเกิดในกามาวจรภูมิ ในภูมินั้นสมนณสินสีเคยเกิดและปุริสินสีก็เคยเกิดอนุโลมปุชชาปุริสินสีในภูมิใดเคยเกิดอุเปคินสีและสัตถินสีและปัญญินสีลมณินสีในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุชชามณินทสีในภูมิใดเคยเกิดปุริสินสีในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนา ในรูปปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิในภูมินั้นมณีศีเคยเกิดแต่ปุริสินรีไม่เคยเกิดกามาวจรภูมิในภูมินั้นมณีศีเคยเกิดและปุริสินรีก็เคยเกิดปุริสินตรียมูลการในจบชีวิตินทรียมูลกาใน246อยอนุโลมปุชชาชีวิตินรีในภูมิใดเคยเกิด โสมาณตินีในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาในอสัญญาสัตตภูมิในภูมินั้นชีวิตินทียเคยเกิดแต่โสมาณสินีไม่เคยเกิดในจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิในภูมินั้นชีวิตินียเคยเกิดและโสมาณสินีก็เคยเกิดปฏิโลมปุชฌาโสมาณสินีในภูมิใดเคยเกิด ชีวิตินทรียีในภูมิ น, น, น, ม น, น, น, มนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัตชนาใช่อนุโลมปุชชาชีวิตินทรีย์ในภูมิใดเคยเกิดอุเปกินทรีและสัจทินทร์สีและปัญญินทร์สีละมณินทรียีในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัตชนาในอสัญญาสัตตภูมิในภูมินั้นชีวิตินทรียีเคยเกิดแต่มณินทรียีไม่เคยเกิดในจตุโวการภูมิและปัญจวโวการภูมิ ในภูมินั้นชีวิตอินทรีย์เคยเกิดและมนินทรียก็เคยเกิดปฏิโลมปุชฌามนิณณียในภูมิใด เ, เคยเกิดชีวิตอินทรีย์ในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะใช่ชีวิตอินทรีย์มูลกนัยจบโสมนัตสินทรีย์มูลกนัยสองอนุโลมปุชฌาโสมณัตสินรีย์ในภูมิใดเคยเกิด อุเปกินสีในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโมปุชฌาอุเปกินสีในภูมิใดเคยเกิดโสมณตินสีในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุชฌาโสมณตินสีในภูมิใดเคยเกิดสัตินรีละปัญญินรีละมะนินรียในภูมิ น, นัน้ น, นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุชฌา มณีสีในปุ მ ใดเคยเกิดโสมนัตสินสีในปุินั oh ้นก mm ็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่โสมนัตสินตรีมูลกายนจบอุเปกินตรีมูลกายนิจสองร้อยสี่ปอนุโลมปุชชาอุเปกินสีในปุิใดเคยเกิดสัตถินรีและปัญญินรีและมนิณีสีในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ ปฏิรมปุชฌามนินตีในภูมิใดเคยเกิดอุเปกินตีในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาะใช่อุเปกินตริยมูลกนัยจบสัตถินตริยมูลกนัย249 อ, อ, ย 4, อนุโลมปุชฌาสัตถินรีในภูมิใดเคยเกิดปัญญินรียและมนินทรีในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาะใช่ ปฏิโรมปุชฌามนินตีในภูมิใดเคยเกิดสัตถินตีในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่สัตถินตรียะมูลกนัจบปัญญินตริยะมูลกนัยสองอนุโลมปุชฌาปัญญินตีในภูมิใดเคยเกิดมนินตีในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุชฌา มนนิณีสีในภูมิใดเคยเกิดปัญญิีสีในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมพิสัชนาใช่ปัญญตรียมูลกไยนจบอนุโลมปุกคโลอกาสจากขุนตรียมูลกไยนายสอนุโลมปุจฉาจากขุนศีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิด โสตินทรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิรมปุจฉาโสตินทรียของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดจักขุนทรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่อนุรมปุจฉาจักขุนทรีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดคานินทรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหม วิจัดชนาบุคคลผู้บัตรอยู่ในรูปาวจรภูมิจากขุนตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่คารินตีไม่เคยเกิดบุคคลผู้บัตรอยู่ในกามาวจรภูมิจากขุนตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่คารินตีก็เคยเกิดปฏิโลมปุชชาคารินทตีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดจากขุนตีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ อนุโลมปุชชาจากขุนศีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดอิตินศีลบุริสินศีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้บัติอยู่ในรูปาวจรภูมิจากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่บุริสินศีไม่เคยเกิดบุคคลผู้บัติอยู่ในกามาวจรภูมิจากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและบุริสินศีก็เคยเกิด ปฏิรมปุชฌาปุริสินสีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดจากขุนสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่อนุโรมปุชฌาจากขุนสีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดชีวิตินศีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิรมปุชฌาชีวิตินศีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิด จกขุนตีของบุคคลนั้นในภูม of ินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจตชนะบุคคลผู้บตดอยู่ในอสัญญาตตภูมิและอรูปภูมิชีวิตินทรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่จกขุนสีไม่เคยเกิดบุคคลผู้บตดอยู่ในปัญจโวการภูมิชีวิตินทรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและจกขุนตีก็เคยเกิดอนุโลมปุจฉา จากขุนศรีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดโสมณติสินศรีของบุคคลนั้นในปมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิตัชฉนาใช่ปฏิโลมปุจฉาโสมณติสินศรีของบุคคลใดในปมิใดเคยเกิดจากขุนศรีของบุคคลนั้นในปมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิตัชฉนาใช่อนุโลมปุจฉาจากขุนศรีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิด อุเบกินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโรมปุจฉาอุเปกินสีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดจากขุนสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้บาดอยู่ในรูปประภูมิอุเปกินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่จากขุนสีไม่เคยเกิดบุคคลผู้บาดอยู่ในปัญจโวการภูมิ อุเปกิณส <that. ap 15 8> no ีของบุคคลเหล่านั้นในปมินั้นเคยเกิดและจักขุนสีก็เคยเกิดอนุโลมปุชฌาจักขุนสีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดสตินสีและปัญญินรีและมนินรีของบุคคลนั้นในปุ მ นั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชฉนาใช่ปฏิโรมปุชฌามนินรีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดจักขุนสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหม วิจัชนาะบุคคลผู้บัติอยู่ในอรูปประภูมิมนิณีสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่จกักขุนสีไม่เคยเกิดบุคคลผู้บัติอยู่ในปัญจโวการภูมิมนิณีสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและจกักขุนสีก็เคยเกิดจกักขุนทริยมูลกนัยจบคานินทริยมูลกนัย25 252อนุโลมปุชชา ขานินทรีของบุคคลใดในปมิใดเคยเกิดอิตินทรีของบุคคลนั <c ười> <c ười ้นในปุ მ นั้นก็เคยเกิดใช่ไหมพิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุชชาอิตินทรีของบุคคลใดในปุ მ ใดเคยเกิดคานินทรีของบุคคลนั้นในปุ მ นั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุชชาขานินทรีของบุคคลใดในปมิใดเคยเกิดปุริสินทรีของบุคคลนั้นในปุ მ นั้นก็เคยเกิดใช่ไหม วิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุชชาปุริส <double> ินตีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดคานินตีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่อนุโลมปุชชาคานินตีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดชีวิตินตีของบุคคลนั้นในปมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิตัดชนาใช่ปฏิโลมปุชชาชีวิตินตีของบุคคลใดในปมิใดเคยเกิด การินตียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้บัตรอยู่ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิชีวิตินทตียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่การินตียไม่เคยเกิดบุคคลผู้บัตดอยู่ในกามาวจรภูมิชีวิตินทตียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและการินตียก็เคยเกิดอนุโลมปุจฉา คาณินตีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดโสมณตินตีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาโสมณตินตีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดคาณินตีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้บาดอยู่ในรูปปาวจรภูมิโสมณตินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิด แต่คานินตียไม่เคยเกิดบุคคลผู้บาดอยู่ในการรมาวจรภูมิโสมนัสตินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและคานินทรียก็เคยเกิดอนุโลมปุจฉาคานินทรีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดอุเปกินตีของบุคลใใ ค, บคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิตัชชนาะใช่ปฏิโลมปุจฉาอุเปกินตีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิด คาณินตีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้บัตรอยู่ในรูปปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิอุเปกขินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่คานินตีไม่เคยเกิดบุคคลผู้บัตรอยู่ในกามาวจรภูมิอุเปกขินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและคาณินตีก็เคยเกิดอนุโลมปุชชา คาณินตีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดสัตตินตีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุชชาสัตตินตีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดคานินตีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้บัตยู่ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิสัตตินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิด แต่คานินทรียไม่เคยเกิดบุคคลผู้บัติอยู่ในกามาว จ, จรภูมิสัตทินรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและคานินทรียก็เคยเกิดอนุโลมปุจฉาคานินสียของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดปัญญินรียและมณินทรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิตัชฉนาใช่ปฏิโลมปุจฉา มนิณตีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดคานิณตีของบุคคล น, น, นั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้บัตยู่ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิมนิณตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่คานิณตีไม่เคยเกิดบุคคลผู้บัตยู่ในกามาวจรภูมิมนิณตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและคาณิณตีก็เคยเกิด การินตริยะมูลกายนจบอิทินตริยมูลกายนิจสอยห้าอนุโลมปุจฉาอิทินสีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดปุรีสินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุรีสินสีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดอิทินรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนา ใช่ละอิตินตรีมุรกกาในจบ ป, ร, ร, ร, บ ป, ปริตินตรีมุรกกานสย254อนุโลมปุชชาปริตินตรีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดชีวิตินตรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจาชนาใช่ปฏิโลมปุชชาชีวิตินตรีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิด ปุริสินรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิตัิชนาบุคคลผู้บัติอยู่ในรูปปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่ปุริสินรีไม่เคยเกิดบุคคลผู้บัติอยู่ในกามาวจรภูมิชีวิตินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและปุริสินรียก็เคยเกิดอนุโลมปุชชา บุริสินสีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดโสมนัสสินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิรมปุชชาโสมนัสสินสีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดบุริสินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้บาดอยู่ในรูปาวจรภูมิโสมนัสสินสของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิด แต่ปุริสินีไม่เคยเกิดบุคคลผู้บัตรอยู่ในกามาวจรภูมิโสมนัสสินีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและปุริสินียก็เคยเกิดอนุโลมปุชชาปุริสินีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดอุเปกินีละสัตถินีละปัญญินีละมนินรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ ปฏิโรมปุชชามนณีตีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดปุรสตินตีของบุคคลนั้นในภูมินั right ้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู ARE ้บัดอยู่ในรูปปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิมนณีตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่ปุรีตินตีไม่เคยเกิดบุคคลผู้บัดอยู่ในกามาวจรภูมิ มินทีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและปุริสินตีก็เคยเกิดปุริสินตรีมูลกนัยจบชีวิตินทรีมูลกนัย255อนุโลมปุชชาชีวิตินทรียอชชของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดโสมรสินตีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาเมื่อจิต ด, ดวงที่สองของบุคคลผู้บัติอยู่ในสุทธาวาสภูมิ เป็นไปอยู่บุคคลผู้บัติอยู่ในสรญยสัตตภูมิชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่โสมนัสสินทรีย์ไม่เคยเกิดบุคคลนอกนี้ผู้บัติอยู่ในจตุวการภูมิและปัญจโวการภูมิชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและโสมนัสสินทรีย์ก็เคยเกิดปฏิโลมปุชฌา สมณตินตีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดชีวิตินตีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่อนุโลมปุชชาชีวิตินตีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดอุเปกินรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้บาดอยู่ในอสัญญัตตภูมิชีวิตินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่อุเปกินตีไม่เคยเกิด บุคคลผู้บาดอยู่ในจตุวการภูมิและปัญจโวการภูมิชีวิตอินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและอุเปกินทรีก็เคยเกิดปฏิโลมปุจฉาอุเปกินทรีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดชีวิตอินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมพิจาชนาใช่อนุโลมปุจฉาชีวิตอินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิด สัตตินรียและปัญญินรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิสัชนาบุคคลผู้บาดอยู่ในสัญญาัตุภูมิชีวิตินรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่ปัญญินรียไม่เคยเกิดบุคคลผู้บาดอยู่ในจตุวการภูมิและปัญจโวการภูมิชีวิตินรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและปัญญินรียก็เคยเกิดปฏิโลมปุชชา ปัญญินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดชีวิตินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาชีวิตินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดมนินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้บาดอยู่ในสัญญาสัตตภูมิชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิด แต่มนินทรีไม่เคยเกิดบุคคลผู้บัติอยู่ในจตุวการภูมิและปัญจวการภูมิชีวิตินทรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและมนินทรีก็เคยเกิดปฏิโลมปุจฉามนินทรีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดชีวิตินทรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ชีวิตินตรียมูลกนานัยจบ โสมณตินตรียมูลกนัยสองอยห้าสนโรมปุจฉาโสมณตินตรีของบุคลใดในภูมิใดเคยเกิดอุเปกินสรของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุชชาอุเปกินสรีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดโสมณตินตรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนา เมื่อจิตดวงที่สองของบุคคลผู้บาดอยู่ในสุทธาวาตภูมิเป็นไปอยู่อุเปกขินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่โสมนณสินรียไม่เคยเกิดบุคคลนอกนี้ผู้บาดอยู่ในจตุโวการภู ม, มิและปัญจโวการภู ม, มิอุเปกขินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและโสมนมัณสิสนรียก็เคยเกิดอนุโลมปุชชาโสมณสินรีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิด สัตตินตีละปัญญินตีละมานินตีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุชฌามานินรีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดโสมนัณสินทรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาเมื่อจิตดวงที่สองของบุคคลผู้บัติอยู่ในสุทาวาตภูมิเป็นไปอยู่มานินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิด แต่โสมนณสินรียไม่เคยเกิดบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในจตุวการภูมิและปัญจโวการภูมิมนินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและโสมนณตินตีก็เคยเกิดโสมณตินทริยมูลกายนจบอุเปกินทริยมูลกายนิจสอยห้าอนุโลมปุจฉาอุเปกินสีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิด สัตตินสีระปัญญินสีละมณินทีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมพิจัดชนาะใช่ปฏิโลมปุจฉามณินทีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดอุเปกินสีของบุคคล น, นั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมพิจัดชนาะใช่อุเปกินตริยมูลกนัยจบสัตตินตริยมูลกนัย 258อนุโลมปุชชาสัตถินตรีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดปัญญินตรีและมณินทรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมพิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุชชามณินตรีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดสัตถินตรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมพิจัดชนาใช่สัตถินตรียมูลการายจบ ปัญญทรีมูลกานัยสองร้อยห้าสิบเก้าอนุโลมปุชชาปัญญินตรีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดมณินตรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะใช่ปฏิโลมปุชชามณินตรีของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดปัญญินตรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะใช่ปัญญทรียมูลกานะัย เจ้า